ชาวนี้ข อ, อนุมทนาอาจารย์สุรินแสดงธรรมด้วยกาบบูชาคุณพระรัตน์ใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอการพระอาจาย์เป็นสาอาจารย์วนาชัยเพื่อสัตยธรมมิกเจริญพอยังไม่ยังไม่ชีย้ยติธรรมทุกท่านฟังธรรมมาตามสบายอาจารย์พรมบางโสพระชาวออสเตรเลียท่านได้เล่าว่าสมัยหนึ่งที่ท่านบวชใหม่ตอนอยู่วัดหนองพงเมื่อก่อนที่วัดก็จะมีงาน ก่อสร้างอยู่เป็นประจำช่วงนั้นก็มีการสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์บนเนินดินกองใหญ่แล้วดินก็เหลือจำนวนมหาศาลหลวงพ่อชาจึงประชุมพระแล้วสั่งให้ย้ายดินไปข้างหลังพระก็ไปช่วยกันจะจำจนวนดินเนี่ยคงจะเยอะมากอะทำงานกันตั้งแต่สิบโมงเช้าจะถึงเย็นทุกวันสามวันอะถึงจะขนเสร็จอาจารย์พรมท่านดีใจมาก ที่ขนสำเร็จจนได้วันลุงขึ้นหลวงพ่อชาก็ไปเยี่ยมวัดสาขาโดยไปประมาณสามวันลองเจ้าวาดก็ประชุมพระแล้วก็บอกว่าินที่อยู่ตรงนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมแล้วก็สั่งให้พระทั้งหมดเน่ช่วยย้ายดินอีกทีไปที่อื่นอาจารย์พรมเริ่มรู้สึกไม่พอใจแล้วความดีใจเมื่อวานหายไปเกี้ยงเลย แต่ก็จำใจต้องย้ายเพราะหลวงเจ้าว่าสั่งก็ทํางานไปแบบไม่ค่อยพอใจไปแล้วแหละสามันผ่านไปหลวงพ่อช้ากลับมาหลวงพ่อชาก็าไปเห็นกองดินอยู่ผิดที่ท่านก็ประชุมสองฆ์อีกบอกว่าผมสั่งให้อดีนวางไว้ตรงนี้ทํำไมไปอยู่ตรงนู้นไปเอากลับมาใหม่อาจารย์พรมตอนนี้โมโหมาก รู้สึกมีความคิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่มีระเบียบมีแบบแผนแต่วัดนี้เนี่ยแม้แต่ดินเนี่ยยังไม่รู้จะ ก, กองที่ไหนเป็นวัดที่ยุ่งเหยิงสับสนมากตอนนี้มองอะไรก็หวางหูหวังตาไหมดแต่ก็จําใจต้อ ง, องทอําอ่ะครูบาอาจารย์สั่งก็ใช้รถเข็นขนดินไปดินก็หนักมากเลยตอนนี้ ปกติไม่ดากหรอกแต่ว่าเพราะว่าอาจารย์พรมเนี่ยท่านไม่พอใจโมโหรู้สึกโกรธขนไปบ่นไปบางช่วงก็นั่งพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อไม่ให้พระไทยเข้าใจก็มีพระไทยอยู่ท่านหนึ่งมั้งมาบอกว่าปัญหาของท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ทํางานหรอกแต่คือความคิดอาจารย์พรมฟังแล้วก็เริ่มรู้ตัวขึ้นมาว่าจริงด้วยเพราะปกติเนี่ยพระไทย ก็ขนดินกันแต่พระไทยไม่พระไทยไม่เห็นบ่นเลยขนก็ขนแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่เหนื่อยพออาจารย์ผมได้สติขึ้นมาเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าขนดินแล้วเบาขึ้นไม่หนักเหมือนตอนแรกแล้วเพราะว่าการทํางานท่านวางใจไว้ผิดไงว่าต้องไปเป็นแรงใจท่านหลังจากนั้นก็ทํางานด้วยการอย่างมีความสุขก็แหละจงานลุล่วงเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดหลายเรื่องนะให้แง่คิดตรงที่ว่า ถ้าเราทํางานเป็นเราก็มีความสุขได้แต่ถ้าเราทำงานไม่เป็นก็ทําให้ทุกอะทุกกว่าเดิมด้วยหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าการทํางานเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเมื่อสมัยก่อนอาตมาเคยอยู่สวนโมกก็จะมีวันกรรมกรทุกสัปดาห์เลยดีกว่าอย่างของวัดเราเนี่ยจะมีเฉพาะวันโกนของวันพระใหญ่เป็นโกนของสวนโมก จะเป็นวันพิเศษปกติลงครัวจะเลี้ยงมื้อเดียวพอวันวันโกนวันกรรมกรเนี่ยก็จะมีขนมมีของว่างมาให้ทานมื้อเพนพักก็ร่วมแรงร่วมใจกันทางานอย่างสนุกอะที่สวนโมกอะเพราะที่สวนโมกจะมีกรมีอะไรไว้เยอะมีกรธรรมะมีแง่คิดต่างๆวันกรรมกรก็เป็นวันที่สามคีของวัดแล้วแหละเป็นการสอบอารมณ์ด้วยเพราะโดยธรรมชาติแล้ว พวกนักปฏิบัติเนี่ยจ ะ, จะหลบหลีกผู้คนจะไม่พูดไม่จะอยากบรรลุธรรมอยากหลุดพ้นเนี่ยจะไม่เาอยากคุกคีแต่เราทํางานร่วมกันเป็นหมู่มากเนี่ยอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันขัดใจกันหรือไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยเป็นการทดสอบไงว่าจิตใจเราที่ฝึกมาเนี่ยมีภูมิมต้านทานแท่ไหนบางคนก็สอบตกไปทะเลาะ ก, กันก็มีบางคนสอบผ่านก็สามารถปรับตัวกลมกลืนกับหมู่คณะอย่างมีความสุข หลวงพ่อพุทธทาสแต่งกรณว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมอันการงานคือคุณค่าของมนุษย์ของไม่เกียตสูงสุดอย่าสงสยัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรได้รู้ทำช่ำซึ้งจริงเพราะการงานเป็นตัวการประพฤติธรรมกุศลละกรรมการปนบมามีค่ายิ่งถ้าฉลาดก็เปียบเหมือนคนฉลาดยิง นัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกมาคือการงานนั่นต้องทำด้วยสติมีสมาธิขันตีมีอุตสามีสัจจะมีธรรมะมีปัญญามีศรัทธาและก้าหาญรักงานจริงอันนี้ก็มีหลายวัดเนี่ยนำป้ายนี้ไปติดเพื่อให้กำลังใจพระแม่ชีและเนนเพราะว่าการทำงานไม่ได้แยกจากพระผูิพานหลวงพ่อพุทธท่านมองไว้ว่าอยู่ด้วยกันแหละ แต่ถ้าบางคนก็จะแยกคือถ้าเจนิภารก็ต้องไปอยู่คนเดียวแหละไม่ร่วมกับหมู่คณะแสงหาความบุดพ้นแต่วัดที่เด่นเรื่องการทํางานจริงก็กลับเป็นวัดธรรมยปิกไม่ใช่วัดไม่ใช่สวนโมกเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่หลวงพ่อประสิทธิเาโลอยู่เนี่ยจะก่อสร้างเองโดยใช้พระไม่ฉีไม่ได้จ้างคนเมื่อจะเป็นบอ่อเก็บน้ําขนาดใหญ่โบสถ์และอาคารต่างๆในวัดเนี่ย และบางที่ที่วัดเนี่ยก็จะเป็นสถานที่อันตรายสูงๆตําๆเป็นภูเขาอ่ะเขาทั้งลูกอะ่ะตอนนี้ถ้าใครไปก็จะเห็นว่าเป็นสถานที่ ล, มล่มลื่นสวยงามเกิดจากแรงงานของพระและแม่ชี้นั้นเกิดจากแรงงานงกว่าสามเมาคีกันที่นู่นก็ทํางานทุกวันมีช่วงหลังนี่แหละที่หลวงพ่อเสียไปทุกอย่างก็ทําเสร็จหมดแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําเมื่อปีห้ 2, าสองพระและแม่ชีวัดทํานจะปิด ก, ก็มาอยู่วัดป่าสุกโตง แล้วก็ได้ร่วมงานครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะก็คืองานซ่อมถนนที่ที่สะพานกุดงงถ้าเราเดินผ่านไปบินทบาทหรือไปที่นู้จะเห็นเลยฟังข้ามสะพานไปเนี่ยถนนจะสุดสุดมากเลยเพราะตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนน้ํามากไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้วป่าสุกโตเนี่ยจะไม่ค่อยมีน้ําเลยเราดูดรายศาสจะแห่จะแล้แรงระดับน้ำเนี่ยลดบ้าจนตอผุด ดอกบัวก็เหลือน้อยแล้วเมื่อก่อนดอกบัวเต็มสัดเลยนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยน้ำเนี่ยเกือบถึงขอบสะพานเลยนะเอาตีนเอาตีนลงไปก็แย่ถึงน้ำแล้วช่วงปี52 53เนี่ยน้ำเยอะและฝนตกมากทำให้น้ำเนี่ยซ้อถนนเนี่ยซุดแหว่งไม่เยอะเลยตอนนั้นหลวงพ่ออมเขียนจึงมีความคิดให้พระเนี่ยไปช่วยกันซ่อมแซมก็เลยไปกันทั้งวัดแหละไปทำาหลายวัน อย่างตัวผู้พูดเนี่ยก็มีหน้าที่ขับรถไปเอาหิีไปขนหินก็จะใหญ่อะตามตามไล่อ่ะทางแรลลี่เลยไปอ่ะก็ต้องยกยกหินกัน่ะวันหนึ่งวิ่งกันลุกวิ่งทั้งวันอ่ะจงเหนื่อยหลใครย้อยอะเพราะว่าขนหินก็โตโตอะแต่ก็สนุกนะภาพที่ไปตอนนั้นก็มีหลายอาจารย์โน้ตก็เป็นหัวหน้าอาจารย์ตรงหมิงอาจารย์นายอาจารย์วันมีหลายคนพวกแม่ใชีหญิงก็อยู่ร่วมไม่ใชีปุ๊บอาจารย์วราชัยก็ยังอยู่ แต่คนคนหม่อจจะไม่ทันเป็นบรรยากาศสามัคคีจริงๆเพราะทำกันสามสี่วันน่ะบางขณะที่ทำฝนก็ตกเพราะเป็นหน้าฝนหลวงพ่อก็ไปนั่งบรญชาการเองเลยอันนัเป็นกรรมกรใหญ่แต่ทุกคนก็ตั้งใจทำนะไม่ว่าจะเป็นเอาอิดบล็อกมาลงแล้วก็เท ป, ปูนเพื่อซ่อมถนนที่ขาดน่ะแล้วก็ซ่อมสําเร็จตอนนี้จะเป็นร่องรอยแห่งความทรงจาอยู่ ตาหัวหน้าพระที่ตั้งใจทําก็เป็นเจ้าวาดอย่างาจารตรงหมิงก็เป็นเจ้าวาดที่วดัดหัวทองอาจารย์โน้ตก็เป็นเจ้าวาดที่อาสมปริยธรรมอาจารย์นายก็เป็นเจ้าวาดแถวแก้งคอแล้ววัดท่ามยาปิกก็จะเก่งเรื่องก่อสร้างมาอยู่วัดป่าสุกโตก็ทิ้งรอยเอาไว้ก็คือมาสร้างบ่อกเก็บน้ําที่สารไก่แล้วก็สาลาหน้าอันนี้เกิดจากความสามคัคคีของพระและแม่ชีตอนนั้นก็ทํามาทุกวัน่ะ แต่และคนก็ทาทาไปแล้วก็สนุกด้วยแต่ถ้าทำงานแล้วเราไม่สนุกนะการงานก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าสนุกเนี่ยทำงานไปก็เหมือนกับได้ปฏิบัติทำไปอย่างเราฝาดไปไม้ถ้าเราฝาดเฉยๆก็กลายเป็นออกกลาลังกายแต่ถ้ า, าฝาดเป็นทุกครั้งที่เราฝาดลงไปคือการเจริญสติล้างจานก็เหมือนกันถ้าเราล้างจานเป็นทุกครั้งคือการ สร้างความรู้สึกตัวนอกรูปแบบหรือทํางานทุกชนิดแต่ถ้าเราทํางานไม่เป็นนะเราก็อาจจะคุยกันสุขขนานเฮฮาไปมันก็ได้อะแต่ว่ามันไม่ประโยชน์ได้ไม่เยอะเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ละคนเคยฝึกจิตฝึกใจมาก่อนเนี่ยอาศัยการทํางานเนี่ยฝึกตัวเองด้วยทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยได้สองอย่างเลยประโยชน์ตนประโยชน์ท่า น, ตนแต่ละคนไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้ประโยชน์อย่างเดียวแหละ อย่างบางทีไล่จังเดินหลายรอบหยิบของไปทิ้งเงี้ยถ้ามองในแง่ดีอาจจะเสียเวลาบางคนเขาจะเอาเยอะๆเอารถมาขนอย่างเงี้ยอย่างอาตมาเนี่ยจะไม่ค่อชอบนั่งรถหรอกในวัดเพราะรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบโบราณเนี่ยเดินดีที่สุดเพราะคนที่นั่งรถเน่ยชอบขับรถเนี่ยจะอ่อนแอจะไม่แข็งแรงบางทีเรายอมขนขกิ่งไม้อะไรเนี้ยอย่างบริเวณที่กุฏิของอาตมามันมีขนทิ้งบางวันอาจเป็นร้อยรอบก็ได้เราก็สะดวกกับการขน แต่ถ้าก็เดี๋ยวนี้มีรถบางทีก็ขนที่นเยอะๆไปเลยมันก็ได้แต่ว่าประโยชน์ของคนทำมันไม่ค่อยได้คือทําให้อ่อนแอลงถ้าเราเดินหลายรอบเนี่ยร่างกายเราก็ได้อ่อนร่างกายได้ทํางานประโยชน์ตัวบุตรท่านทั้งการทํางานก็ต้องวางใจให้เป็นถึงจะทํางานมีความสุขปีนหานอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของการไม่สามาคัคคีมีวัดล้างอยู่แห่งหนึ่ง ในอดีตเนี่ยเคยจเจริญรุ่งเรืองมาก่อนวันนั้นก็มีพระมาพบกันโดยบังเอิญสามรูปก็ไม่รู้ว่าใครพูดขึ้นมาว่าอะไรหนอเป็นสาเหตุทําให้วัดที่เคยจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยกลับมาล้างได้พระท่านแรกก็บกก็พูดขึ้นว่าคงเป็นเพราะพระในวัดขี้เกียจมั้งพระท่านที่สองก็พูดขึ้นมาว่าเพราะพระในวัดคงไม่ศึกษา ธรรมวินัยมั้งจึงไม่มีความรู้คือไม่รู้จักขนกวายพระทันยิสามก็บอกว่าสงสัยพระในวัดเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติธรรมไม่ยอมเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวทั้งสามท่านก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองและในที่สุดก็ตกลงว่าจะอยู่วัดนี้ด้วยกันเพื่อจะพิสูจน์ว่าความเห็นของใครจะถูกต้องพระรูปแรกเนี่ยมีความสามารถด้านช่าง สามารถเป็นช่างไฟช่งาชงป่าปลาช่างปูนทํางานเกี่ยวช่างเก่งทุกอย่างแหละพระท่านที่สองเนี่ยก็เป็นพระสวดมนต์เก่งแล้วก็พูดธรรมะเก่งคือเป็นพระนักเทศพระท่านที่สามก็เป็นพระกรรมฐานทั้งสามท่านก็เริ่มทํางานในสิ่งที่ตัวเองถ น, ดนัดทันทีเลยพระช่างก็เริ่มบุรณะห้องน้ํา บัานักสารที่ยงต่างทำให้น้ำไหลไฟสว่างทำให้สารที่น่าอยู่พานักเทศก็เริ่มชักชวนโยมให้มาเข้าวัดมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังธรรมพระกรรมาฐานก็เริ่มสอนให้โยมรู้สึกตัวหัดเจริญสติก็ต่างคนต่างทำหน้าที่กันพอทั้งสามขยันทำหน้าที่ปุ๊บเนี่ยเสียงก็บอกเล่าลือต่อๆอกัอนไป คนก็เริ่มมาวัดกันมากขึ้นทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งญาติโยมจากทั้งใกล้ทั้งไกลก็เริ่มมาอยู่กันจนทำให้วัดเนี่ยกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งกาลเวลาผ่านไปแล้วแล้ววันหนึ่งก็มีเสียงผู้คิดว่าเพราะฉันต่างหากเพราะฉันเนี่ยขยนันบูรณะสิ่งต่าง ให้ให้หน่าอยู่มาให้พ้องผู้คนเห็นแล้วมีความสุขจึงมาวัดพาอฉันตั้งหากพาอฉันตั้งหากที่ชักชวนคนมาไหว้พระสวดมนต์และพูดทำให้โยมเนี่ยรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้กุศลพาอฉันตั้งหากที่สอนให้โยมเนี่ยฝึกกับาฐาน เจตสติสร้างความลูกตัวคนศรัทธาฉันคนดิมาวัดกันมากทั้งสามต่างเถียงกันคอเป็นเอ็นไม่มีใครยอมใครจนคนในวัดเริ่มเอือมละอาพัสามท่านนี้ก็ค่อยออกแด่ยวัดไปจนในที่สุดวันนี้ก็เสื่อมเหมือนเดิมก่อนที่พักทั้งสามท่านเนี่ยจากวัดที่ไปเนี่ยก็รู้คำตอบแล้วว่าอะไรเป็นสาเหตุให้วัดล้าง เพราะฟา์มไม่สมานฉันกันต่างหากจึงเป็นสาเหตุให้วัดล้างเพราะการขาดความสามาคัคคีถ้าที่ใดมีความสามาคัคคีที่นั่นก็มีความสุขถ้าที่ใดไม่มีความสามาคัคคีมันก็มีแต่ความอิจฉาลิษยากันถ้าเรามีความสามาคัคคีเราก็แบ่งงานด้วยกันแบ่งผลงานยกความดีให้เพื่อนแต่ถ้าเราเห็นแก่ตัวเราก็จะเอาผลงานไว้หมดเพราะทุกคนเนี่ย <c oughs> มีความสําคัญและมีความสามารถไม่เหมือนกัน แต่ละคนจะเก่งคนละอย่างสิ่งที่ขาดมัมกจะอยู่กับเพื่อนไม่ได้อยู่กับเราเหรอกฉนั้นจึงไม่มีใครเก่งจริงเพราะว่าบางด้านที่เราเก่งสิ่งที่เราชอบไงเราถึงเก่งแต่สิ่งที่เราไม่ชอบแต่เพลินเพื่อนชอบเพื่อนก็เก่งเพลงก็เหมือนกันแต่ละคนจะฟังเพลงไม่เหมือนกันดูหนังก็เหมือนกันเพราะถ้าชอบเหมือนกันเนี่ยพวกหนังก็ขายไม่ได้พวกเพลงก็ขายไม่ได้หรอกอาหารก็เหมือนกันบางคนกินอาหารอย่างนี้อร่อยแต่บางคนกลับไม่ชอบเลย เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะสะสมอุปนิสัยที่แตกต่างกันทุกคนยิ่งเติมเต็มให้กันแต่ถ้ามีความสามาคีเนี่ยสถานที่นั้นก็สามารถเจริญรุ่งเรืองได้คือไม่ขัดแย้งไม่ขัดผลประโยชน์กันไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัวผัวเมียลูกยาพี่น้องเพื่อนจนไปถึงชุมชนใหหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือประเทศถ้าขาดความสามคีเนี่ย ก็จะมีปัญหาเต็มด้วยความอิจฉาลิสิยากันเห็นขายได้ดีกว่าก็ไม่ได้เราก็ต้องกีดกันแต่ถ้าเราเาตั้งใจจิตไว้ไม่อิจฉานะแล้วก็ทํางานไปอย่างมีความสุขแล้วแหละอ่าแบ่งผลงานไปทุกคนก็มีผลงานตามหน้าที่แหละเราก็มีผลงานตามหน้าที่ของเรายกความดีให้ซึ่งกันและกันที่นั่นก็จเจริญรุ่งเรืองก็มีวัดหลายที่ ที่เคยรุ่งเรืองแล้วก็มาเสื่อมประเสื่อมเพราะ่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางวัดเจ้าวาดไม่มีวิสัยทัศน์จะเอาตัวเองไป็ศูนย์กาลางมากกว่าของงานทั้งหมดแหละของอํานาจจะไม่ยอมแบ่งงานให้ลูกวัดไม่ไม่ให้าความสัมพัลูกวัดอันนี้อาตมาเห็นมาหลายวัดแล้ววัดนั้นก็จะเจ๊งจะเสื่อมไม่เรื่อยแต่เจ้าวาดที่ฉลาดเนี่ยจะให้ลูกศิษย์เนี่ยทํางานตามความสามารถพอแบ่งงานปุ๊บเนี่ย ลูกศิษย์ก็ทําเต็มที่ใครมีความรู้ด้านไหนก็ทําเจ้าวาดก็ไม่เหนื่อยมากด้วยพอไม่ือ่อพอไม่เหนื่อยมากปุ๊บเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสําสคัญก็ช่วยเต็มที่วัน น, วนั้นก็วันนั้นก็มีแต่จเจริญรุ่งเรืองฝ่ายเดียวเลยแต่วัดไหนที่เจ้าวาดระบบคล้ายๆแบบระบบแบบระบบเท่าแก่คือว่าอะไรรับเองหมดอะ่ะวันนั้นจ ะ, จ ะ, จะไม่จะรุ่งเรืองหรอกไม่ว่าจะเป็นเทศเป็นให้ศีลทํางานทุกที่เจ้าวาดรับหมดแหละลูกวัดบดีทำอะไรไม่เป็นเลย เพื่ออะไอยู่ที่เจ้าวาดหมดเพราะว่าวันไหนเจ้าวาดป่วยเจ้าวาดไม่อยู่ก็ไม่มีใครแทนได้คือไม่ไ ม, ม่บุคลากรแต่ว่าป่าสุกโตพระจารย์ไปสารท่านก็เปิดโอกาสให้ให้พระในวัดเนี่ยได้แสดงควาสามารถจะทํางานที่ตัวเองถนัดได้เวียนกันเทศทุกวันอาจารย์ที่ประเทศทุกคนก็ก็ต้องหาข้อมูลน่ะเพื่อมาพูดก็เป็นการพัฒนาตัวเองด้วย ก็ให้ประโยชน์แก่กผู้ฟังด้วยเวลาเจ้าว่าไม่อยู่ก็สามารถทดแทนได้ใช้งานได้ทำให้ไม่เสียความสมดุลถ้าทำงานเป็นเราก็สนุกนะแต่ทำงานไม่เป็นเนี่ยบางคนเกลียด ง, งานไปเลยก็มีหลวงพ่อพุทธทาได้แต่งกรอนเอาไว้ว่าการงานเนี่ยทาให้ชีวิตสดใสอันการงานนั้นบะเสิริดตรงที่สนุกยิ่งทำงานยิ่งเป็นสุขทุกสถาน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 เมืองใหญ่ได้ชื่นชมโลกอุดมสุขวางทางนิพพานท่านก็แต่งกรอไว้ให้กำลังใจคนที่เบื่องานอย่างวันกรรมกรของวัดเราเนี่ยเราก็จะได้เห็นความสามัคคีของวัดเพราะเดือนนึงมีสองครั้งทุกคนก็ตั้งใจทำงานเต็มที่เลยแต่บางทีก็มีอุปสรรคนะอาจจะดินฟ้าอากาศไม่เอื้อบางวันทำงานกลางแจ้งแล้วฝนตกเนี่ยงานก็ชะลักไปก็มี เปนกปรรมกรของวัดเนี่ยรู้จะเริ่มมีมามาปี53ยุคนั้นพ่อกระกกรก็ไม่ชัดเจนพอตหลังก็ประชุมสงฆ์กันให้มีพอมีแล้วก็ทำต่อๆกันมาจุดประสงค์ก็คือการลดละความเห็นกับตัวเอาเหงื่อล้างาตาแหละเพราะโดยธรรมชาติแล้วคนเราจะเห็นกับตัวไม่มากก็น้อยแหละถ้าคนเห็นกับตัวมากก็จะเอาเปรียบคนอื่นแหละคนเห็นก่ตัวน้อย ก็จะเต็มไปด้วยความเสียละหไม่ว่าเป็นสิ่งของเป็นแรงกายแรงใจหรือของต่างๆนี่แหละเราสามารถเช็คได้คนไหนเป็นคนไม่เห็นกับตัวก็จะมีคนรักอ่นแหละคนไหนเห็นกับตัวคนก็เกลียดอันนี้เป็นกรรมในปัจจุบันเลยไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะคนจะรักคนที่ให้มากกว่าเอาอันนี้พิสูจน์ได้ครัคนไหนที่เสียระห่ช่วยช่วยคนอื่นนะคนอื่นจะรักแล้วก็จะเป็นการสร้างบารามีด้วย แต่คนไหนที่มองแต่ผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยคนนั้นคนไม่ค่อยชอบหรอกไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมก็ต้องรับการปัจจุบันแหละกรรมเือคนไม่ชอบจะทําอะไรก็จะลุ่งเลืองยากเพราะสุขที่แท้ไม่ได้เกิดจากการที่มีของมากๆหรือมีเงินมีทองมีชื่อเสียงสุขที่แท้ก็คือการพอต่างหากการพอการไม่ได้ลน่นอย่างถ้าเป็นพะระนักบวช แม่ชีสมมติถ้าราดิ้นรนอยากได้าราสักละอยากมีของมาอันนี้เราก็ทุกข์ละแค่คิดก็ทุกข์นะแต่เราคิดว่าเราจะให้อะไรใครเลยช่วยอะไรใครอย่างเงี้ยแค่คิดเราก็มีความสุขแล้วยิ่งลงมือกระทํายิ่งสุขใหญ่ช่วยเหลือสรัปรสัตว์ให้มีความสุขตัวเราเองก็มีความสุขแค่เราไปเล่นกับสัตว์เนื่อจนหมาแมวเจอหน้าเราไม่ดุเขายิ้มแย้มแจ่าใสหาเขารอลูกหัวอะไรเขาก็มีความสุขนะ แต่ถ้าเราเจอเจอเจ อ, เจอหมาแมวตะเพื่อใส่ประเพร์เตะอะไรเงี้ยคือหมาแมวก็เกลียดเราเจอหน้าก็เป็นปลอลปักจิตที่เราทำเนี่ยสะท้อนถึงตัวเราด้วยสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างอะเมื่อจะเป็นการทำงานการเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมถ้าเป็นคนเราสามารถดูดูที่สิ่งแวดล้อมก็ได้ดูว่ากุฏิหลังไหนเป็นอยู่ยังไงเราก็จะรู้เลยว่านิสัยของเจ้าของกุฏิเป็นยังไง เพราะแต่ละคนจะมีสายแตกต่างกันบางคนก็ชอบแบบลกๆชอบแบบวิเวกไม่อยาก ใ, ใครเห็นแอบๆ บ, บางคนก็ชอบแบบอยู่ในที่ที่แบบลงจง้งคนเห็นง่ายๆไปมาสะดวกบางคนให้อยู่ไกลๆแต่ก็ไม่สําคัญเพราะคนทุกคนนิสายแตกต่างกันอยู่แล้วแต่เราสามารถรวมน้ําใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยไม่ขัดแยง้งอยู่กันอย่างผาสุข มันกบกรเนี่ยแหละเป็นวันที่พิสูจน์เป็นวันที่ให้เราเนี่ยได้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านลดละความเห็นแก่ตัวแล้วก็นําความสามขีมาสู่บูคคละที่ได้บีกว่าสามคีที่นั่นก็อยู่กันอย่างผาสุขถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องเคลียเพื่อแก้ไขปัญหานั้นถ้าไม่เคลียก็ขาใจกันไปเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ฮะถ้าเราเคลียปุ๊บปัญหาก็จบใครร่วงเกืออะไรใครก็ขอเข้ามาลาโทษกันปัญหาก็ไม่มี พ่อพระนี้ก็ถือว่าถ้าเรื่องเล็กน้อยก็ต้องตั้งอธิกรอ่ะบางทีสมัยพุทธกาลก็มีวัดต่างๆก็มีพอมีอธิกรปุ๊บพระไม่พอใจทะเลาะบาดหมางกันเนี่ยก็ให้เคลียปัญหาขอเข้ามากันเรื่องนี้ก็เรื่องสําคัญนะครการการอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติธรรมทุกท่านขอจบลงแค่นี้สาธุ